บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนย่าแห่งวิสุทธิเจ็ดคือทางแห่งความบริสุทธิ์นั้นท่านแสดงไว้ว่าเปรียบเหมือนบุคคลผู้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งจะต้องอาศัยรถ 7พดลัดด้วยกันรถแต่ละพลัดนั้นเมื่อทมหน้าที่ของตนแล้วก็ส่งต่อไปให้พลัดอื่นจนในที่สุดคนคนนั้นก็จะถึงจุดหมายปลายทางด้วยรถพลัดที่7การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านอุปมาเหมือนเดินรถก็มีลักษณะอย่างนั้นเริ่มต้นในชั้นแรกก็คือเรื่องของศีลวิสุทธ ความหมดจดแห่งศีลที่ได้กล่าวมาแล้วความหมดจดแห่งศีล น, นั้นเป็นบาทรองรับจิตวิสุทธิ์คือความหมดจดแห่งจิตซึ่งเป็นการปฏิบัติชั้นสมาธิที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ข้อปฏิบัติในชั้นนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อส ง, งบกิเลสเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจ ในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสสงบไปแล้วก็กลายเป็นบาทที่จะสร้างปัญญาขึ้นเพื่อพิจารณาความจริงแห่งสังขารทั้งหลายเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงปัจจัยแห่งความสงบจิตบางประการการทำความสงบจิตนั้นปัจจัยสำคัญประการแรกก็คือเรื่องของฉันทะได้แก่ความพอใจในความสงบ ระบุคคลมามองเห็นโทษของความภุ้งสั้นสัายไปแห่งจิตจึงปลูกฝังความพอใจในความสงบแล้วใช้ความเพียรพยายามที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนปัจจัยภายในที่จะต้องใช้ก็คือเรื่องของสติที่กำหนดระลึกอารมณ์กับสัมปชัญญะความรู้และความเพียรพยายาม ซึ่งเป็นหลักที่ทรงใช้เวลาสอนเกี่ยวกับสมาธิในที่ต่างๆนอกจากนั้นบุคคลจำเป็นจะ <c oughs> บุคคลจาเป็นจะต้องสร้างปัจจัยภายนอกให้มีลักษณะอํานวยให้เกิดความสงบอีกหลายอย่างด้วยกันประการแรกก็คือเรื่องของกายชเยวกความสงัดกาย ได้แก่การสงัดออกไปจากหมูคณะหรือการคุกคีด้วยคนอื่นเพื่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่จะทำจิตใจของตนให้สงบและจะต้องสามารถรอบรู้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของความสงบเพราะว่าความนึกคิดก็ดีสิ่งต่างๆก็ดีนั้น บางอย่างเป็นปัจจัยที่โน้มน้อมไปเข้าหาความสงบได้ง่ายแต่บางอย่างก็กลายเป็นอุปสรรคขัดความความสงบในด้านจิตใจข้อต่อไปจะต้องรู้ในเรื่องทางเดินของกายและจิตคือการเข้าไปเกี่ยวข้องครุกครีกับบุคคลสถานที่ต่างๆบางครั้งก็ได้เก็บกดเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ทำให้มานึกคิด ในยามที่ทําจิตให้สงบสิ่งนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคไปแต่วันในขณะเดียวกันบางครั้งได้ไปคุกคีกเกี่ยวข้องกับบุคคลบางจํงพวกที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสงบ ม, มีตัวอย่างบุคคลมีข้อคิดเห็นมีผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นเป็นต้นมาเป็นปัจจัยกระตุน้นก็ทาให้จิตใจโน้มน้อมไปหาความสงบได้ และแนวของความคิดที่บังเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่อื่นไปจากเรื่องกุศลวิตกและอกุศลวิตกคือถ้าหากว่าบุคคลใช้การเวลาผ่านไปด้วยการสึกนึกไปในแนวอกุศลวิตกคือสึกนึกไปในเรื่องน่าใคร่น่าปรารถนานาพอใจเรื่องอาฆาตแค้นชิงชังเรื่องที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนรละทุจลายกัน สิ่งเหล่านั้นก็จะมาค้างอยู่ที่จิตเวลาทําความสงบแทนที่จะสงบได้ก็จะต้องสูญเสียเวลาในการขจัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปส่วนความคิดที่น้มน้อมไปในด้านของกุศลวิตกคือประกอบด้วยความดําดิในการที่จะดึงกายจิตออกจากกามในการที่จะไม่อาฆาต พ, พยาบาทกันและเบียดเบียนกัน เป็นปัจจัยที่ให้จิตเกิดความสงบได้ง่ายและจะต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัพพายาคืออํานวยให้เกิดความสบายในการทําความสงบใจในเรื่องนี้ท่านชี้ไปในเรื่องของสถานที่อาหารที่รับประทานเข้าไปคือจะต้องมีอาหารที่เรียกว่าพอประมาณ หากอาหารมากเกินไปใจก็จะน้อมไปสู่ทีนมิทะคือความง่วงนอนอาหารน้อยเกินไปใจก็จะน้อมไปในลักษณะอุทธัจักกุกุจักคือฟุง้งซ่านการรับประทานอาหารจึงต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอดีไม่มากไม่น้อยและบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องคับผาก็ต้องเป็นกันลยาณมิตรเวลาพูดจาปราศัยกัน จะต้องพูดจาในทํานองที่ชักชวนเชิญชวนให้เกิดความสงบไม่มีวาจาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโลภะโทสะโมหะแต่ประการใดอารมณ์ที่นำมาใช้เป็นตัวกำหนดระลึกจะต้องเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบได้ง่ายการเลือกอารมณ์จึงต้องอาศัยแนวของจริตทุกประการอย่างที่เคยศึกษามา เราโดยสรุปก็คือคนที่ที่สู่ตัวเองได้ว่าเป็นคนราคะจริตมีปกติรักสวยรักงามก็ใช้กรรมฐานส1บอดอย่างเป็นหลักได้ แ, แก่อสุภาษิตและกายยาคตาสติคนที่เป็นโทสะจริตมีปกติความคิดเห็นรุนแรงโกรธร้ายโกรธง่ายเป็นตน้นท่านก็สอนให้ใช้ประมวิหารทั้งสประการคนที่เป็นโมหจริต และวิตกจริตก็ใช้หลักของอานาปานสติกธรรมนนคนที่ศรัทธาจริตมีปกติเชื่อง่ายก็ใช้อนุสติหกขั้นต้นคือการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของการบริจาคคุณของศีลและคุณของเทวดาคนที่เป็นพุทธจริตซึ่งมีปกติชอบใช้เหตุผลในการคิดพินิจพิจารณา ก็ให้เลือกปฏิบัติกรรมฐานในส่วนที่จะต้องใช้ปัญญาพินิพิจารณาเช่นพวกอาหารเรบปฏิกูลสัญญาดูความปฏิกูลของอาหารหรือพวกพิจารณาแยกร่างกายออกเป็นดินน้ำลมฝ่ายเป็นตน้นการเลือกกรรมฐานในแนวนี้เป็นการเลือกแบบกว้างๆซึ่งมีรายละเอียดที่บุคคลอาจจะทดสอบเพราะไม่แน่ว่าตนเองจริลอย่างไร นั้นการปฏิบัติโดยทั่วไปแม้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระใจพิด ก, ก็จะเน้นไปที่อนาปานาสติกรรมฐานเป็นพิเศษเพราะเป็นกรรมฐานที่สามารถปฏิบัติได้สาหรับคนทุกจริตเนื่องจากคนจะจริตอย่างไรก็ตามจิตก็ต้องคิดไปในเรื่องเหล่านั้นกรรมฐานจริตเหมาะสมรับคนที่มักคิดหรือคิดพล่านไปในอารมณ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการตั้งสติระลึอกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นเหตุให้เกิดความสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกตอง น, นั้นและนอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของอากาศซึ่งจะต้องไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปอากาศอันใดที่เรียกว่าสับปะย่าสมบุกคนนั้นอยเลือกอากาศเช่นนั้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือว่า เป็นปัจจัยภายนอกบางครั้งเมื่ออากาศแม่อนนวยให้คนก็สามารถใช้ความคิดของตัวเองไม่ใส่ใจถึงความร้อนความหนาวเหล่านั้นแต่มุ่งมั่นอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานซึ่งกำหนดระลึกก็ตัดปัญหาเรื่องอากาศออกไปได้ในเรื่องของอริยบทที่ใช้ดังที่เคยกล่าวมาเสมอว่ากรรมฐานที่เน้นอริยบทจริงๆนั้น เป็นเรื่องของอนาปานสติกรรมฐานอิทธิยาปะถะปปะพระคือการกําหนดอิทธิบทและสัมปชัญญะปปะพระคือดูอิทธิบททุกขณะไปส่วนกรรมฐานข้ออื่นเกี่ยวกับอารมณ์มากกว่าอิทธิบทคือข้อสําคัญว่าให้บุคคลมีสติระลึกอยู่กับเรื่องเหล่านั้นหรือใช้ปัญญาพิณิพิจาราอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเป็นประการสําคัญ ท่านจึงสอนให้หาอิริยาบถ ท, ที่เรียกว่าสปายะคือกาหนดระดึกไปแล้วเกิดความสบายไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับอิริยาบถมากนะักนี่ถือว่าเป็นปัจจัยในขั้นตน้นและปัจจัยภายนอกที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องที่เรียกว่าปริพภทืคือความกังวลในกิจการงานบ้าง ในบุคคลบ้างในทรัพย์สมบัติบ้างในสถานที่ต่างๆบ้างในเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีในอนดตีตหรือแม้แต่การคอยขวัญถึงอนาคตตั้วยแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการทําความสงบทั้งนั้นการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อก่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจนั้นจึงจําต้องสร้างปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมา มาดูลักษณะของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนเลอเกินแท้ที่จริงแล้วปัจจัยเหล่านั้นบางครั้งก็มีอิทธิพลเหนือจิตคนได้บางครั้งก็ไม่มีอิทธิพลอะไรถ้าหากว่าสติของบุคคลสามารถระลึกอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐ า, านมีสัมปชัญญะรู้ตัวและมีความเพียรพยายามสืบต่อกันไป ก็เถราบางรูปในสมัยพุทธกาลนั้นไปนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นบ้างท่ามกลางความร้อนระอุบ้างโดยไม่ยอมเข้ามาในภายในการเจริญกรรมฐานในลักษณะนี้ท่านมองเปรียบเทียบความร้อนความหนาวที่กำลังสัมผัสอยู่ในขณะนั้นกับความร้อนความหนาวที่ตนจะต้องประสบ ถ้าหากว่าประกอบอกุศลกรรมต่างๆจะต้องไปประสบร้อนจัดหนาวจัดในนรกยิ่งกว่านั้นท่านยังยอมทนร้อนทนหนาวเสียในปัจจุบันเพื่อฝึกปลือจิตใจดัดจิตใจของตอนเองในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องลางเนื้อชอบลางยาไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะทําในแนวเดียวกันการให้กรรมฐานของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงให้ไว้ในแนวกว้าง เพื่อให้บุคคลได้เลือกปฏิบัติโดยมุ่งผลอยู่ที่ความสงบปเป็นที่ตัง้งความสงบในชั้นของจิตวิสุทธิ์คือความหมดจดแห่งจิตนั้นดําเนินไปเพียงชั้นของฌานทั้งสประการเท่านั้นเองโดยเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปตามลําดับแล้วความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นสมาธิสามชั้น ดังที่เคยกล่าวมาแล้วคือสงบช่วขณะหนึ่งความสงบเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิและความสงบแน่แน่ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิในช่วงของการปฏิบัติและปรากฏผลออกเป็นสมาธินั้นยังมีปัญหาที่จะต้องศึกษาทำความละเอียดอีกมากซึ่งในการปฏิบัติโอกาสหนึ่งก็ปฏิบัติไปโอกาสหนึ่งจะต้องศึกษาปริยัต โดยการเรียนรู้สอบถามเพื่อแก้ทางของอารมณ์เหล่านั้นว่าเมื่อมีอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไรเป็นต้นและเมื่อปฏิบัติไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วพวกนิวรธรรมก็คือกิเลสโลกโกรดหลงซึ่งไม่แรงจัดเกินไปแต่เป็นประเภทที่เรียกว่าปริยุท ธ, ธานกิเลสคือเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจ ก็จะค่อยๆสงบลงโดยลาดับความสงบของกิเลสนั้นเป็นเรื่องกิริยาปฏิกริยาตามธรรมชาติระหว่างกุศลกับอกุศลทั้งหลายกุศลกับอกุศลนั้นทรงแสดงว่าไม่มีโอกาสจะบรรจบ ก, กันเหมือนฟากแม่น้ำสองฟากหรือเหมือนฟ้ากับแผ่นดินโอกาสที่จะบรรจบ ก, กันนั้นมีไม่ได้เลย ในขณะใดใจเหนียวนึกอยู่ในกุศลธรรมขณะนั้นอกุศลธรรมก็ไม่เกิดแต่ขณะใดใจตกไปสู่กระแสของอกุศลกุศลก็ปรากฏไม่ได้เหมือนกันแต่นั้นเมื่อจเจริญสมาธิไปโดยนาดับจนถึงชั้นของฌานที่ท่านเรียกตามชื่อของฌา น, นนั้นๆว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สความเปลี่ยนแปลงทางจิตจะเกิดขึ้นมาในรูป ของความละเอียดประณีตในด้านจิตใจตัดกระแสะอารมณ์ภายนอกออกไปโดย ด, ำดำําดับจนปรากฏองค์คราวแรกเพียงห้าประการคือวิตกความตรึกวิจารความตรองพิติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจละเอกแคตาคือจิตที่ถึงความเป็นนันเดียวหรือสมาธิในตอนนี้นิวรทั้งห้าประการ ซึงเป็นอาการของโรคปวดรงดังกล่าวนั้นก็จะสงบลงโดยอาศัยองค์ชานทั้งห้าประการนั้นกดทับนิวรณ์ทั้งห้าประการเอาไว้เป็นคู่ค่คือวิตกองค์ชานคือวิตกเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่สงบทีนมิตะคือความง่วงนอนซึ่งซึมงนอยเงาเหนื่อยหน่ายคากายคลานจิตใจให้สงบลงไปวิจารเมื่อบังเกิดขึ้น ก็จะทำหน้าที่สงบวิจิเกช้าคือความลังเล ส, สงสัยให้บันเทาเบบางไปจะถึงสงบไปอิติเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบพยาบาทนิวรณ์ความสุขเมื่อบังเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบอุตจักขุกุจฉะความฟุ้งซ่านได้รำการสมาธิหรือเอกขคตาจะทำหน้าที่สงบกรรไปช้นแต่ความสงบในชั้นนี้ เป็นความสงบกิเลสไวชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นจาบใดที่ฌานยังไม่เสือ่อมจิตใจของผู้ปฏิบัติเองจะมีความรู้สึกคล้ายๆไม่มีกิเลสอะไรแม้มากระทบกับอารมณ์รุนแรงทางภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธบ้างความโลภบ้างความหลงบ้างก็าตามแต่ถ้าหากว่าไม่แรงเกินไปความสงบก็คงจะมีอยู่คือไม่รู้สึกโกรธตอ ไม่รู้สึกอยากได้ใคร่ดีในอะไรและสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นการปฏิบัติมาจนถึงชั้นของฌานนั้นตามปกติแล้วก็จะมีอยู่สองช่วงคือช่วงหนึ่งในช่วงของทุติยฌานที่มีอารมณ์ในขณะนั้นอยู่สามประการคือปีติความเอื้อปีนใจ สุขความสบายกายสบายใจและเอกกาตาคือจิตที่เป็นสมาธิตัวความสุขนั้นปรากฏเด่นชัดเป็นพิเศษในที่นี้ซึ่งโดยมากแล้วผู้ปฏิบัติมักจะจิตอยู่ในความสุขเพราะเป็นความสุขแปลกใหม่ที่ตามปกติแล้วในชีวิตประจาวันจะไม่ประสบความสุขในลักษณะนั้นเมื่อมาเจอกับความสุขในสมาธิ จิตก็จะติดอยู่ในความสุขไม่ยอมก้าวต่อไปเพ่ก็กลายเป็นปัญหาข้าวตานองที่ว่าควรจะขึ้นรถขลัดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ยอมขึ้นนันก็ติดอยู่ตรงนั้นจะถือว่าไม่ได้ประโยชน์เลยมันก็ไม่ได้เพราะขึ้นรถมาสองต่อแล้วแต่จะถือว่าถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่ได้เพราะยังมีรถที่จะต้องขึ้นต่อไปตามระดับอีก และโดยปกติการติดสุขหรือว่าติดสงบซึ่งติดอยู่สองอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็ติดอยู่นานจนกลายเป็นความเคยชินซึ่งลักษณะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมะพึงสังเกตได้ว่าแม้ในเรื่องชีวิตประจำวันของคนบางครั้งเมื่อทําอะไรมากข้าวมากข้าวแล้วก็มีความพอใจในเรื่องนั้นกลายเป็นความเคยชินไป เช่นจะเดินจะเลี้ยวไปทางไหนก่อนก็มักจะเลี้ยวไปทางนั้นอยู่เรื่อยหรือข้ามมาถึงบ้านทำอะไรก่อนก็มักจะทำสิ่งนั้นอยู่เรื่อยกลายเป็นความเคยชินความเคยชินเหล่านี้เมื่อมาเสพขาจคุคุนข้าวจิตก็จะมีความยินดีพอเริ่มปฏิบัติกรรมฐานไปไอ้ ใ, ใจที่เก็บความสงบความสุขที่ตนชอบใจนั้นมีอยู่เป็นนั้นมากพอปฏิบัติไปแล้วก็ไปหยุด ตรงนั้นอีกทีนึงแล้วก็หยุดเรื่อยไปท่านเรียกกันว่าหลงชานบางครั้งไปหลงอยู่ได้เป็นตั้งเก้าปี20สิบปีติดอยู่อย่างนั้นสวยความสุขอ ย, สอยู่อย่างนั้นมีความสงบอยู่อย่างนั้นในชั้นนี้ท่านจึงอาศัยปัญญาเข้าวิเคราะห์เข้าปัญญพิจารณาซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดยากแก่การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ในทำกลางความสงบนั่นเองถ้าบุคคลหยุดใส่ใจถึงความสุขด้วยความสงบหันมาใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์จิตในขณะนั้นๆก็จะเข้าใจถึงความจริงว่าไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทานเพราะกิเลสทั้งหมวนั้นยังมีอยู่ภายในจิตใจจากนั้นก็จะเกิดชั้นท้อุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติ ด, ดําเนินต่อไปการดูในชั้นนี้ ตัวปัญญาจะต้องเหนี่ยมคมและที่สาคัญอย่างยิ่งคือต้องไม่ติดไม่อาไราจะดีอยู่ในความสุขความสงบเ่านั้นเกินไป mm. เมื่อใช้ปัญญาวิเคราะห์สวรวจสอบจะค่อยๆเข้าใจจะค่อยๆเห็นขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาเข้าตรวจสอบเข้าไปนิพนะ์พิจารณาก็จะเป็นเหมือนคณาจารย์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลอย่างอดีตอาจารย์ของ พระพุทธเจ้าคือท่านอาลาดาบทและอุธกตดาบทนั้นก็ทำหนองนั้นคือท่านไม่ยอมวิเคราะห์จิตมีความยินดีมีความเพลิดเพลินในความสงบและความสุขที่ได้จากสมาธิจนในที่สุดก็ปักใจว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติแล้วทำให้สูญเสียโอกาสเป็นนั้นมากซึ่งเมื่อพระพูทมีพระภาคตรัสสินพระทัยว่า จะสั่งสอนธรรมที่พระองค์ศ ส, สรุมาเมื่อปรารบถึงอาจารย์ทั้งสองทราบด้วยประญาณว่าทั้งสองท่านนั้นได้สิ้นชีวิตไปแล้วจึงทรงเปล่งอุททานเป็นทํานองว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นได้ประสบความพินาศอย่างใหญ่เพราะว่าช่วงที่ท่านจะได้ฟังธรรมะและบรรลุธรรมะนั้นใกล้นิดเดียวแต่เมื่อท่านต้องไปตายในด้วยด้วยชาติที่ท่านบนรรลุอยู่ ก็ต้องอุบัติบังเกิดในพรหมโลกเสียเวลาอยู่เป็นเวลานานดังนั้นในชั้นนี้ถ้าหากว่าเกิดติดขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาก่อยตรวจสอบโดยอาศัยปริยัติบ้างการสอบถามปรึกษาบ้างและดำเนินปฏิบัติไปจนถึงชั้นของเจตุติชาในชั้นของเจตุติชานั้นจะมีอารมณ์อยู่สองอย่างคือความสงบกับอุเบกขา อุเบขาเป็นอาการของปัญญาที่เด่นชัดมากขึ้นคำว่าอุเบขาแปลกันโดยความหมายแล้วก็คือการเข้าไปเพ่งพินิจ ด, ดูข้อนี้พึงดูตัวอย่างอุเบขาที่ใช้ในพรหมิหารธรรมในกรณีที่ไม่อาจใช้ไม่ตายรุณาโมตีตาได้เมื่อบุคคลเหล่านั้นประกอบความชั่วความผิดเป็นที่ประจักษ์และรับโทษของความผิดเหล่านั้นตามสมควรแก่ ก, กรรมของตน บุคคลก็ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลงสู่กฎแห่งกรรมประสาททั้งหลายเบนผู้มีกรรมเป็นของข้องตนเป็นต้นแล้วทำใจให้สงบไม่ดีใจไม่เสียใจในความพิบัติของบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาปรากฏอยู่ในองค์ของฌานที่เรียกว่าชานุเกคากุเบคาในองค์ฌานก็ได้แก่การเพ่งพิจิพิจารณาดูจิตในขณะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นความสงบที่แท้จริง มีปัญญามากพอที่จะพินิษพิจารณาสิ่งทั้งหลายได้ในชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดสมัติของจิตวิสุทธิ์ซึ่งเป็นรถพลัดที่สองความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตกับความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลเป็นหลักการที่สําคัญเป็นพื้นฐานที่จะรองรับความดีเบื้องสูงขึ้นไปดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงแสดงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต้องการใดกันระหว่างศีลสมาธิปัญญาจึงทรงทรงใช้คำที่ใช้อยู่มากและใช้ปล่อยในประสโย์ต่างๆว่าศีลที่บุคคลอบรมศึกษาสมาทานดีแล้วย่อมทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมกระทาดีแล้วย่อมทำปัญญาให้บังเกิดขึ้น ปัญญาที่บุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วย่อมชำระศีลและชำระสมาธิของตนให้หมดจด น, นั้นข้อปฏิบัติในหลักตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในชั้นของการรักษาศีลก็ต้องอาศัยปัญญาและสมาธิในชั้นของสมาธิก็ต้องมีศีลเข้าไปอุดหนุน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีปัญญาเข้าไปสนับสนุนวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพจิตในขณะนั้นๆเพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปโดยถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะในชั้นของสมาธินั้นนอกจากจะมีสัมมาสมาธิในองค์มากแล้วยังมีมิจฉาสมาธิอีกด้วยคือความสงบในทางที่ผิด ซึ่งอาจจะเป็นการสงบจิตแบบสะกดจิตของตัวเองโดยไม่อาศัยการค่อยๆเจริญเติบโตไปอย่างมีสัดส่วนหรือค่อยๆเกิดความสงบขึ้นอย่างมีสัดส่วนของจิตใจข้าวทำนองของการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้าไปจิตในพืชพันธุ์ต่างๆเร่งให้เกิดความเจริญเติบโต แต่ก็จริงแล้วคุณค่าที่แท้จริงก็สู้เรื่องของธรรมชาติธรรมดาไม่ได้จิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่ามุ่งไปสะกดจิตของตัวเองเรื่อสายการควกคุมการสะกดจิตของบุคคลอื่นแล้วเกิดความสุงบมันก็ข้าทำนองยืมจ ม, มูกคนอื่นมาหายใจคนสุดท้ายเมื่อเขาไม่ยอมให้ยืมตนเองก็ ประสบอันตรายการทำความสงบหรือแม้แต่การรักษาศีลตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องน้อมนำธรรมะเหล่านั้นทั้งชั้นศีลแลชั้นสมาธิมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักของโอปันนิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติพระพู้มีพระภากเจ้านั้นได้ทรงประกาศฐานะของพระองค์โดยเปิดเผยว่า โรงเองเป็นได้เพียงผู้บอกให้เท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของคนทั้งหลายผู้มีศรัทธาในศาสนาจะพึงน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมะนั้นนั้นแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุไม่ว่าในชั้นของศีลหรือในชั้นของสมาธิก็ตาม ต่อจานี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป